จมบทแปลเรื่องที่90สเรื่องพระขานุโกลธัญญะเถระภาคที่สี่เรื่องที่สิบของวัคที่8สหัสวรรควรรณน า, นาพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารพพระขานุโกลธัญญะเถระตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าโยจะวสัสสะสตังจีเวเป็นต้นได้ยินว่า พระเถรานั้นเรียนกรรมฐานในสำนักพระสัสดาอยู่ในป่าบรรลุพระอรหันต์แล้วคิดว่าจากทูลพระสัสดาเมื่อมาจากที่นั้นเหน็ดเหนื่อยในระหว่างทางแวะจากทางนั่งเข้าฌานบนศิลาดาษแห่งหนึ่งครั้งนั้นโจร500รคนปล้นบ้านแห่งหนึ่งแล้วพูกห่อสิ่งของตามสมควรแก่กำลังของตน เอาศีสษะเทินเดินไปครั้นเดินไปไกลก็เหน็ดเหนื่อยคิดว่าเรามาไกลแล้วจะพักเหนื่อยบนศิลาดาษนี้แวะจากทางไปยังที่ใกล้ศิลาดาษแม้เห็นพระเถระแล้วก็มีความสำคัญว่านี่เป็นต่อไม้ลำดับนั้นโจรคนหนึ่งวางห่อสิ่งของลงบนศรีรษะพระเถระโจรคนอื่นๆก็วางห่อสิ่งของ พิงพระเถระนั้นด้วยประการชนิโจนแม้ทั้งห้า้อคนเอาห่อสิ่งของ500หอ้าร้อยห่อล้อมรอบพระเถระแม้ตนเองก็นอนหลับตื่นในเวลาอารุณขึ้นคว้าห่อของตนของตนได้เห็นพระเถระก็เริ่มจะหนีไปโดยสำคัญว่าเป็นอมนุษย์ท่านใดนั้นพระเถระกล่าวกับพวกโจร น, นั้นว่าอย่า ก, กลัวเลยอุบาสก ฉันเป็นบนรรพชิตโจรเหล่านั้นมอบลงที่ใกล้เท้าพระเถระให้พระเถระอดโทษ ด, ด้วยคำว่าโปรดอดโทษเถิดขอรับพวกกระผมได้สำคัญว่าต่อไม้เมื่อหัวหน้าโจรบอกว่าเราจะบวชในสำนักพระผู้เป็นเจ้าพวกโจรที่เหลือก็กล่าวว่าแม้พวกเราก็จะบวชมีฉันทาเป็นอันเดียวกันทั้งหมดเดียวขอบรรพชากับพระเถระ พระเถระให้โจรเหล่านั้นทั้งหมดบวช ด, ดูดสังกิต จ, จสามเณ น, นจำเดิมแต่นั้นพระเถระปรากฏชื่อว่าขานุโกนธัญญาท่านไปสํานักพระศาสดาพร้อมด้วยภิกษุเหล่านั้นเมื่อพระศาสดาตรัสถามว่าโกนธัญะเธอได้อันเตวาสิกแล้วหรือจึงกราบทูลเรื่องนั้นพระศาสดาตรัสถามว่าเขาว่าอย่างนั้นหรือ ภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุเหล่านั้นทูลรับว่าถูกแล้วพระเจ้าข้าพวกข้าพระองค์ไม่เคยเห็นอนุภาพเห็นปันนั้นของผู้อื่นเลยด้วยเหตุ น, นั้นพวกข้าพระองค์จึงบวชจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายความเป็นอยู่แม้วันเดียวของพวกเธอผู้ประพฤตในปัญญาสัมปทานในบัทนี้ประเสริฐกว่าความตั้งอยู่ในกรรม ของผู้มีปัญญาสามเห็นปานนั้นเป็นอยู่ตั้งหนึ่งร้อยปีดั้งนี้แล้วเมื่อจะทรงสืบ อ, อนุส์ที่แสดงธรรมจึงตรัสพระกาถานี้ว่าโยจาวัสสตังชีเวดุปัญโยอสมาหิโตเอกาหั่งชีวิตังสสยโยปัญญะวันตัสสะจายโนติก็ผู้ใดมีปัญญาสาม มีใจไม่ตั้งมัน่นพึงเป็นอยู่หนึ่งรอยปีความเป็นอยู่วันเดียวของผู้มีปัญญามีชานประเสริฐกว่าในวงเล็บความเป็นอยู่ของผู้นั้นแกดเรรดาบทเหล่านั้นบทว่าดุ ป, ปัญโยความว่าผู้ไร้ปัญญาบทว่าปัญญาวันตัสะความว่าผู้เป็นไปกับด้วยปัญญา คำที่เหลือเช่นเดียวกับคำมีในก่อนนั้นแหละในการจบเทศนาภิกษุแม่5้0รรูปบรรลุพระอรหัสต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาแล้วพระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่มหาชนผู้ประชุมกันดังนี้แลเรื่องราขาโกรธัญญาเถระจบ